ฟังทำกันพอจะพูดให้ฟังฟังคำพูดแล้วเอาไปกระทาไม่ได้ฟังแล้วจำไม่ได้ฟังเพื่อให้เข้าใจฟังแล้วเอาไปทำเอาไปสัมผัสเอาไปประกอบในเป็นภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคทฤษฎี เราเจริญสติภพกิจภปกรณ์เบื้องต้นไม่ต้องอ้อนว อ, อนหรืออยากลูก้อยากเห็นเพื่อจะให้ได้นอนได้นี่ไม่ต้องไปคิดกอาศัยการกระทําบุกเบิกไปเอากายเอากิจ เรียกว่ากิตเจตสิกลูกนิพานเป็นปรมัติตไม่ใช่สมมุติบัญญัติเป็นปรมาจสัจักเอากายเอากิจเอาลูกนะสัมผัสเข้าไปเลยไม่ต้องไปตั้งจิตตั้งใจไม่ต้องไปอ่าในความอยากไม่ต้องไประมัดระวังอะไรอ่าทิ้มตัวลงไปเลย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 อลรมมันก็เป็นเจ้าของจิตมันยึดจิตเอาไปใช่กายก็ไปติดกับความหลงการกระทำปรีเดินปรีหายใจก็ปรีเพื่อนไหวต่างๆปรีหมดไม่ได้ใช่เกิดประโยชน์เราจะมาจับมันมาใชา่จับกายมาใชา่จับจิตใจมาใชา่ อย่าให้มันเป็นอิสระโดยความหลงหลงแต่งไปต้องสอดรู้สอดเห็นจะดูแลมันละร่างกายรังกิตเนี่ยเราจะต้องดูแลมันใส่ใจไม่ได้มองหันหลังให้มันแล้วจะหันหน้าดูมันตาเป็นตาก็จะดูมันตาเนื้อ มันเป็นตาในจะไม่หลบไม่นี้เป็นไหนดูมันอยู่นี้แต่ดูมันอยู่จะเห็นมันอยู่จะทักท้วงมันอยู่จะโต้อตอบมันอยู่บางอย่างมันจะสั่งงานสั่งการไม่ต้องทำตามดูเสียกอ่อนทักท้วงมันก่อนเช่นเรานั่งสร้างจังหวะอยู่มันคิดจะลุกความชิดมันจะส่ง ต้องเห็นเง่งมั้คิดจะลุกหรอือยังไม่ลุกเราจะลุกเองไม่ต้องไปคิดการจะลุกลุกโดยความโูภสึกะัวแต่ว่าหัดให้สติมา ก, ก่อนให้สตินำจะให้ความคิดจะให้เวทนาจะให้อันอืึนมาสัง่งเหมือนกับ เขาปลืองเลียงนั่นต้องสั่งคนเดียวถ้าคนอื่นสั่งแล้วมันไม่เอามันสับสนแล้วเรียงขึ้นมาเฝ้าบางคนก็บอกอลูกนั่นลูกนั้นลูกนั่นมันก็โกรธมันสั่นจิงมาเผ้าใส่มันไม่ทำมันสับสน มรารอให้เจ้าของให้ผู้ที่เคยสั่งมันมาสั่งมันจะเคยทำบอก่าเอาตั้งต้นใหม่ก็บอกเอาเอาลูกนั้นมาไปจับดูถ้าเจ้าของเออเออมันก็ทำแล้วขยันถ้ า, นานคนอื่นสั่งโน้นเั่นี่มันหยุดแหละมัน ไ, ไม่ทำในเรื่องเราปูกเร่งปลุกช่าง ฝึกควายฝึกหมูฝึกหมาฝึกสัตว์เด็สัตว์อะไรฉับางทีมันจำเสียงได้ยุดมันก็ะยุบสั่นท่การฝึกตัวเองก็เหมือนกันให้สติเป็นใหญ่ให้สติเป็นใหญ่ดูแลใช้ให้มากๆอะไรก็ตามให้รู้สึกตัวไว้ก่อนมันจะคิดรู้สึกตัวไว้ก่อนมันจะลุกจะเดินจะเตือนจะไว้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 เรามีสติแจ้งก็เป็นตาเป็นตาในของเราตาในเนี่มันเห็นเมื่อทั้งความคิดเห็นอารมณ์เห็นเวทนาตาเนื้อไม่เห็นหรอกเห็นแต่รูปเราจึงมาลืนตาตาในของเราเอาไปหลับหลับก็คือหลงรู้สึกตัวเนี่ยคือรู้สึกตัวคือลืนแต่แม่หลับตาก็รู้สึกเป็นเรานั่งสร้างจังหวะ เมื่อเราเคลื่อนไหวหลับตาดูกลางคืนก็ไม่ต้องจุดไฟมันก็รู้อยู่เดินจงกรมก็ไม่ได้เด็ดตาไปดูมันก็รู้อยู่รู้อยู่รู้สุดตัวอยู่ในธรรมะหัดตรงนี้กันตรงนี้ไม่ใช่เรียนรู้จบจากลั่วมหาวิทศาลัยจบจากการกระทําตั้งต้นจากการกระทําไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่ในกายไม่ใช่เพศ ไม่ใช่อ่ชาติภาษาเป็นการกระทํารุวนรุนเป็นการกระทํารุ่นรุ่นอย่าไปเอาทิฏฐิขึ้งมาเลยทิฏฐิความเห็นตน่างวางแล้วาเอาการกระทําให้มีการกระทําการกระทำว่า เราก็มีจริงจมือเราก็มีพลิกมือเคลื่อนไหวอยู่มันก็มีดีนี่คือการกระทาหายใจเราก็มีอยู่หายใจแต่เราไม่ได้เอามาทํามันก็ปรีมันก็หายใจฟรีเราจับจับอนโน่นจับนี่พอที่จะเอามาผลิดความรู้สึกตัวเอามาผิตเอามาเป็นอุปกรณ์เครื่องผลิตความรู้สึกตัว กับพิบตากระดับเปื่อนำลายกระดับกายกมือสร้างเจ้หวะมันปวดมันเมื่อยทาใหม่ๆอาจจะปวดเมื่อยอาจจะเป็นเวทนามากเวทนาจะแก่ค่้ากว่าคนที่ฝึกมานานๆการนั่งอริบทนั่งอาจจะนั่งไม่ค่อยได้นานอริบทเดินอาจจะเดินไม่ค่อยได้นานเวทนามันใหญ่เวทนามันลุ่นลอยทาใหม่ๆ เม่เกิดหลงไปในเวทนาเวทนามันก็จะพยายามที่จะแทรกให้เกิดความหลงเหมือนกับการแทรซึมการอะไรที่ที่จะให้แปรสภาพไปเป็นเอ็นเจนเชื่อโลกพยายามที่จะขยายตัวแ่ ่างกายเราก็พยายามที่จะฆ่าเชื่อโลกนั้นความรู้สึกตัวกับเวทนาคล้ายๆกันเวทนามันก็จะพยายามที่จะใช้ไม่เอาหน้าเท่ใหญ่ที่สุดจนยอมถ้าไม่มีสติถ้าไม่ดูจริงๆก็จะยอมโอ้ยไปเลยแ้วมันก็สั่งมันก็สั่งงานสั่งการมันก็เลยเป็นใหญ่ เราเคยโดยจำนวนตัวมาแล้วคอยยามดูท้าใหม่ใหม่เวทนาเนี่ยความปวดความเมื่อยความสุขความทุกข์องคนไปชนกับความทุกข์ก็ยอมแล้วยกธงขาวอยากให้ยับเิ่งยอมดูดีๆบ่ดด้ า, า จ, จะเกิดปัญญาที่ตรงนั้นก็ได้ามสุขก็ดูดีๆอยากเพิงเวยิยมแป้ม น, นอะไรกันอาจจะเกิดปัญญา สุขเวทนาทุกขเวทนาอัตุขขมาสุขเวทนาอเนี่ยก็จะไปไว้ใจมันต้องดูมันมันเป็นอันึ่สุขเวทนามันเป็นอันหนึ so ่งทุกเวทนามันเป็นอันนั้นอัตุขขมาสุขเวทนามันเป็นอันนั้นไม่ใช่ตัวตนจริงๆเราดูมันเราจะมาดูคอยดูไปดูไปมันแสดงออกมามันต้องเห็นแหละ เห็นจริงๆก็เก้าที่เรา 9, ดเดินทางมาตรงพกสิ่งเหล่านี้เดินทางจิตใจัมื่อเราเดินทางจากบุรีรัมย์มาสุโขโต์ก็ต้องขึ้นเขาเมื่อขึ้นเขามาผ่านที่โน่นที่นี่มาพอจะถึงสุโขโตก็ขึ้นเขาปีนเขาทวนกระแสหน่อยหนึง่งถ้าเป็นรถกมหมิพลังงานไปหน่อยนึง แต่ว่าขึ้นมาแล้วมันก็สบายอากาศมัน ต, ต่างกันกับข้างล่างอยู่พอสมควรการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันบางโอกาสก็ทวนก็แสเช่นเวทนาเนี่ยก็แสมันจะพัดพาเราไปทางตับเราก็รู้ไว้หรือจิตอย่งเนี้ยจิตที่มันคิดเนี่ยมันเคยเคยลดคลายความคิดมาจิต ก, กับความคิดเนี่ยเหมือนกันวันเดียวกัน แต่จริงแล้วมันไม่ใช่ตัวคิดมันเป็นตัวหนึง่งตัวเห็นคิดนี่เป็นตัวหนึง่งแล้วก็จะเห็นโอ้คิดเนี่ยเราพยายามสร้างความรู้จึกตัวอยู่ดีๆพุดออกมามันออกจากธรรมมันก็บกายนี่เป็นธรรมจิดมันอยู่ในธรํามันออกไว้มันเข้าไปไวไปก็ไปไวเกิดขึ้นไวเอา้าเราพยายามดูดูแล้วก็ให้กลับมา ถ้าอยากไปเอาผิดเอาถูษ ก, กับมันความคิดเนี่ยมันจะคิดอะไรก็ยิ่มหัวแล้วย่ะมันไปก่อนแล้วรกลับมากลับมาได้อย่าให้มันใหญ่จนมันสั่งให้หยุดเปลี่ยนก็หยุดมันสั่งให้ทําความเปลี่ยนก็ทำมันสั่งให้นอนก็นอนบางทีเอาจะไม่ถูกสมอไปต้องทําต้องเกตนาเกิดจากเกตนา เจตนาหังวัฒน์กรัมเจตนาเป็นกรมถ้าไม่มีเจตนากรัมก็เป็นอ่ไม่ใช่เป็นกรมที่เป็นกุศลไม่ใช่เป็นกรัมที่เป็นเป็นเป็นผลเป็นกะเป็นอากาเป็นกตัดต่กรมเป็นกรัมที่ไม่มีผล แต่ถ้าโลาเจตนามันเป็นกรรมที K ่มีผลบริบบมักกันนะเจตนาลูกอยู K ่เนยเป็นตัวมักตัวลูกเป็นตัวผลมันก็เป็นมักเป็นผลยกมือขึ้นเป็นกรรมลู <Hast> ดสึกตัวอ่าที่พิหมืันเป็นมักเป็นผลไปในตัวเร็ษลูดจริงจริงวางไว้บนเข่าลูดจริงจริงแต่แทงมือขึ้นลูดจริงๆริงยกมือขึ้นลูดจริงๆ เคลื่อนไหวไปมาตามรูปแบบสิบสี่จังหวะสิบ้ากับมือวางไว้บนเขารู้จริงๆริวัตถุที่รู้มีอยู่จริงไม่ใช่วาดมนภาพาเหมือนเขาดูลูกแก้วการดูลูกแก้วต้องดูแล้วก็วัาโนภาพให้มันติดตามเอาลูกแก้วเป็นย้งไง อันนี้ไม่ต้องเอาเอาของจริงเอารูปเอากายเอาจิดเอาเกิดแตสึกเนี่ยเอารูกเท่านั้นมาเป็นในเม่เอาของจริงมันจึงจะเห็นของจริงมันก็เกิดอยู่นี่แหละปัญญาเกิดจากรูปจากนามจากสังขารกายแสังขารจิตแตสังขารหรือว่าความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญา ไม่ใช่ความรอบรู้ในนิมิตโลกแก้วไม่ใช่แม่ได้เห็นในเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าเห็นเป็นพระพุทธรูปก็เลยเป็นนิมิติบต้องเห็นกายเห็นรูปเนี่ยรูกมันเป็นนิมิตเห็นจิตเนี่ยที่มันคิดเนี่ยหรือว่าเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเดชะการของรูปของนามเห็นความสุขของทุกข์ของรูปของนาม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 ตบาตรตัวบุญมันเกิดอยู่ในรูปในนามแต่รูปนี่มันทำดีนามมันทำดีอันที่เราเจริญสติเนี่ยมันทำดีแต่รู้อยู่นี่มันก็ไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ทำชั่วเลยเลยคนรู้สุดตัวรักษากายวายา่าใจอยู่เนี่ยมันคิดก็กลับมาไม่ได้ให้ความคิดมันสับแต่มันคิดแล้วก็รู้ทันทีนตัดไฟเสแต่ต้นลมแล้ว ถาเป็นไปก็ดับหมดเกิดที่ไรก็ดับหมดทุกทีชํนานาญในการดับหมดมันก็เกิดไม่ได้ไอ้ที่ถุออาจจะเย็นไปเลยหรืกว่านิพพานนิพพานอยู่ที่ใจหายใจก็ได้ยินมันก็เกิดอยู่ที่ดี่แล้วไปหาที่อื่นไปจะมาลูมาดูอะไรเนี่ยเอา <c oughs> กายเป็น limit นเอาจิตใจเป็น limit เนนะาะเอาสติ ไปลงพื้นที่นี่เลยบุกภิกตุพกรณเอาการกระทาบุกเบิกไม่ใช่เอาเหตุเอาผลเรีวยกว่ากรรมฐานที่ตั้งของการกระทำเนี่ยเป็นการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์แบบถ้าเป็นการเรียนก็เป็นช่้นอุดมเลยท่นอุดมมันก็มหาวิทยาลัย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 นปวดหรือคารวะไม่ได้เกี่ยวกับชาติระทีในกายศาสนา์ันใดเป็นเรื่องของกายของจิตหล่นลวดทุกคนก็มีกายมีใจจะเป็นชาติใดก็ตามมีกายมีใจมีความรู้สึกตัวมีความหลงมีทนามีความคิดมีธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลมันเกิดขึ้นที่คิดที่ใจเราเช่นกัน ความโกรธกันเดียวกันความร้อนอันเดียวกันความหนาวอันเดียวกันความหิวโปวดหัวปวดท้องอันเดียวกันคือเวทนาเนี่ยเราจะมาสนุกนการศึกษาที่ศึกษาของจริงมันสนุกมันเห็นของจริงเช่นเห็นกายเนี่ยมันจริงเห็นเวทนาก็จริงเห็นความคิดก็เห็นมันจริงจริงมันคิด ขึ้นมาจริงๆบางทีความคิดมันก็ยิ่งใหญ่ไพสาลจนเราจะสู้มันไม่ได้หรือความคิดติโปนทุกข์เกกับอารมณ์ครับถ้าเราไม่มีสติแก่กล้าอินสติอินซีไม่แก่กล้าก็สู้มันไม่ไหวเกิดตาลงอิดฐาลงเกิด อ, อ, ดอ น, นิจฐานลงเป็นบวกอิดฐาอ่า อิทธาลมเป็นลบอ่าอิทธาลมเป็นบวกอเนธาลมเป็นลบนะเนี่ยยินดีเป็นบวกยินไล่เนี่เป็นลบอ่าลมบวกบวกลบลบนะมันก็ใหญ่ถ้าเรามาดูมันโอ้มันก็เกิดสัญญามันก็เกิดสัญญามันยินดีเนี่ยเออปัญญามันยินไล่ก็ปัญญา เราก็เริ่มแล้วเล่นแล้วนั่งสร้างจังหวะอามคิเป็นอนเปลี่ยนความคิดเป็นตัวลูกเอามันทุกเปลี่ยนความทุกเป็นตัวลูกเอามันสุขเปลี่ยนความสุขเป็นตัวลูกมันร้อนมันหนาวมันปวดมันเมื่อยเปลี่ยนความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยเป็นตัวลูกตัวลูกเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกายกับัจ แม้ว่ามันหิวไปกินข้าวให้มันที่เปลี่ยนความหิวเป็นความอิม่มอันนั้นก็อันนันก็เป็นทำรุ่นล้ว น, วนแต่ว่าไม่เคยประยชน์แต่ถ้ามันหิวรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวความหิวมันเป็นอาการของกายความอิม่มมันก็เป็นอาการของกายไม่ใช่ตัวตนความร้อนความหนาวก็เป็นอาการของกาย ความปวดความมาาก็เป็นอาการของการมันเป็นของเขาไม่ใช่เราเราไปยินดีไปหลงต่างหากเราไปยินร้ายเราไปหลงต่างหากก็เกิดปันญยางโอ้เป็นอาการอาการของโลกความโกรธความไม่ตกงวงเวนเศร้าหมองเป็นอาการของใจความสุขที่ได้ตามสมปรารถนาเป็นอาการของกิจของกิจใจน่นเป็นของเขา เราก็เลยให้เจ้าลรัตนเป็นใหญ่มันก็มันก็สั่งงานสั่งการมันกับปีนตายอยู่ไม่หยุดไม่หย่อแล้วเรามาเห็นเห็นเราเริ่มดูเริ่มเห็นก็เห็นอะไรก็มีแต่ความรู้สึกตัวเห็นอะไรก็เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็เลยเปย็นเช่นเลยตัวรู้สึกตัวไปเฉลยเฉลยเฉลยชีวิต ฉเฉลยได้แต่บางคนฉเฉลยไม่ได้เข้มงงโกรธทำตามโงงโกรธเฉลยไม่ได้ครับความทุกข์ก็ทึ่มมุ่งหมกมุ่นอยู่ในความทุกข์ฉเฉลยไม่ได้ก็เลยไม่ผ่านชีวิตที่ไม่ผ่านชีวิตที่ตันเป็นทางตันแต่รู้สตัวมันเฉลยแล้วผ่านเลยละไปแล้วคนละไปหมดแล้ว ทำปะ๊บลงไปเราเดินทางทันทีไปสูม่มรรคสู่ผลทันทีเห็นกับหูกับตากับมือเราเนี่ยเรีศึกษาของจริ <c oughs> งพอมันเกิดละไจะมากับรู้แล้วรู้แล้วผ่านความคิดก็ผ่านไะรู้สึกตัวรู้สึกตัวมาสร้างตัวนี้กันตัวลู้สึกตัวเนี่ยต้องสร้าง ไม่ใช่เอาเหตุเอาผลเอาความ ค, คิดไม่ใช่หรกเอาการกระทำเอาการกระทำทมเอาการสัมผัส ต, ต่อให้มันติดเอาไปต่อเอาไปประกอบเอาเอาไปสัมผัสเอาเอากายไปต่อเอาจิตใจไปต่อมาเลยพูดเริ่ต้นว่าแต่ก่อนนี้กายมันไปต่อกลมหลง เหตุท in ี่เกิดความหลงทั้งหมดอยู่ที่กายเอาใจไปต่อความหลงเหตุที่เกิดความหลงทั้งหมดอยู่ที่จิตใจความหลงก็เป็นใหญ่เห็นเคยถามใครต่อใครว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาถึงปูณนี้ตัวรู้สึกตัวกับตัวหลงในอันไหนมันมากกว่าไม่ต้อง เอาวันนี้ชั่วโมงนี่ก็ได้ <c oughs> ชั่วโมงหนึง่งที่เราเดินจงกรมอยู่หัดเป็นมาหนึ่งชั่วโมงหนึงงหน่งก็จะได้ประมาณสักสามสีพันเก้าถ้าเดินพอดีพอดีพร้อมเร่ยงตัวพอดีประมาณสี่พันเก้าลูกทุกเก้าหนึ่งอาจจะหลงครึ่งหนึ่งลู่ครึ่งนึ่งแล้วยกมือส่างจังหวะอายกพอดีพอ ด, พอดีวินาทีละ ลูปรูปรูปรูปสุดรูปสุดรูปสุดมันก็เขียเวิาทีเอ๊ะ๊ประมาณสามสี่พันรูปพอาเทมก็อาจจะหลงมากกว่าลปอารีบทตรสี่พันอารีบทตต่อชัมม่วโมงหรือห้าพันอารบทต่อหนึ่งชัมม่วโมงแต่เรามาดูจริงๆเนาะโอ้ความหลงน่าตกใจ บางทีราูกไปเราไเห็นความคิดอโอ้โหไม่เค็นความคิดเลยอายุสามสิบปียังไม่เห็นความคิดเลยเกือบตายเกือบเป่าชีวิาตในรถพอมาเห็นรถตกใจขึ้นเห็นความหลงแต่ก่อนเราไม่เห็นไม่ว่าอยู่กับความหลงอยู่กับความคิดอะไรอะไรก็คิดแต่คิดมาว่าบวบไปคิดไปได้ พอมารู้ตัวเห็นความคิดตัวเองโอ้มันขนาดนี้ชีวิตเราเดินอยู่ป่าหิวเพราะว่าอตกลงไปง่านๆแล้วเราเดิอยจะปกาหิวเพ้อแป๊บเดียวก็พัดตกลงไปเอาชีวิตไหนหลอดขนหัวลุก <c oughs> ไปคิดอะไร <c oughs> ไปชินะ เอาคิจไปคิดเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีคิดอย่างนั้นนั่ความโกรธนอนอยู่กับความโกรธกินอยู่กับความโกรธหรือกินไม่ได้เลยก็ยังโกรธอยู่นอนไม่ได้เลยก็ยังโกรธอยู่โอ้หลอดก็น่าทึ่งเลยแล้วก็ไม่โกรธก็ไม่อยู่ทำไมเราไม่ใช่สิทตัวนี้ก็ไม่หลงก็ไม่อยู่ทำไมเราไม่ใช่สิทอะไรมาสั่งรับอวตารเคือ แต่ก่อนมันจะเป็นยังไงบ้างออมาฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยผลหัวลูกเลยขอมีชีวิตครบใหม่ใหม่เอี่ยมเลยบัานสดเลยบ้าน่ะเรียกว่าภาษาเ้าเรียกว่านวชีวันนวชแปลว่าใหม่ชีวิตใหม่ๆไม่เก่าบะานเอี่ยมเลยรู้สึกตันไงความรู้สึกตัวเนี่ย ต่างกันกับความหลงพอมันหลงทีไรเฮ้ยเปื่อนทุกทีไม่ใหม่เลยกับผ้บาที่ขาวสะอาดพอมันคิดไปปั๊บเนี่เปื้อนแล้วด่างแล้วถอยแล้วเข่ามองแล้วนนั้นนะอพอเจ้าสุไที่คนคิดในอารมณ์ท่คนคิดหมกมุ่นอยู่ในความคิด ก็ถือว่าสินของเธอทะลุแล้วด่างแล้วร้อยแล้วง่วหมองแล้วบอนนั่นนะคนคิดเนี่ยเราจะไปเก่งว่าเราเดินยยองหยอกเรานั่งหลับตาเรานุ่งผ้ากาสาวพัดเราห่มผ้าขา ว, ขาวคนผมยังไม่พอังไมพอต้องมาดูแลต้องมารู้สึกตัว ม่บางทีเราอวดลัทิอวดในกายกันอวดเทศเราเป็นศิษย์วัดตันเราเป็นศิษย์อาจารย์นี่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวต่า ง, ท, างที่ทำให้เราบริสุทธิ์ไม่เช่การอ้อนวอนขอร้องด้วยลัทิด้ว ย, วยพิธีกรรมไ ด, ได้ลองดู มันรูส้สตัวพราะมันคิดพักรู้สุดก่อนที่มันจะคิดถินมันเป็นไรมันก็เกิดอยู่เนี่ยเกิดจากความหลงตัวเองก่อนที่มันจะเป็นบุญมันก็เกิดอยู่เนียเกิดจากความรู้สุดตัว อ, าอ้าขอท้าทายพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนพิธีกรรมเรามีแต่พิธีกรรมรศาสนาพิธียิงในเรื่องพิธี อย่งพวกอนุนรักษ์เนี่ยนักจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ก็ไมนเป็นจริงปลูกผักกินก็ไม่เป็นรักษาอะไรก็ไม่เป็นแล้วเทิดปฏิบัติเลยไม่ใช่ต้องมีการกระทําทําให้มันเป็นการปฏิบัตินีไม่ได้สอนให้รูก้การสอนให้รู้ง่สอนให้เป็นถ้าสอนให้รูกก้ก็ทําในอุปการะมากสองอย่าง สติเคลื่อนความระลึกได้สมุจัญญาฯฟงรู้ตัวว่าสองรอบสามรอบก็จํำได้รู้แล้วไปตอบเขาออกพัญหาทาอะไรที่เป็นอุปการะคุณเขาก็ตอบสติสมุจัญญาเป็นอุปการะคุณเหมือนกับพ่อกับแม่เขาตอบได้ได้ใบประกาศอาห้อยฝากได้เลยตอบได้ความรู้ แต่ว่าทําไม่เป็นรู้อยู่ตรงไหนตอ น, น, นี้เราจะมาไม่ต้องไม่ต้องพูดก่อเอากายไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ได้พูดสักคำเลยเอากายไปสัมผัสไปรู้สึกกับผมรู้สึกตัวโอ้รู้สึกรู้สึกเนแล้วได้รู้สึกไงก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดขณะที่พูดที่ทำที่คิดได้ว่ารู้สึกตัว อะไลกกับรู้สึกตัวกุ็เดี๋ยวจริงๆมาพร้อมสมบูรณ์แบบไม่ใช่มีสติไม่ใช่ไม่เพิมสมัมเช่นละไม่ใช่มาพร้อมกันอันเดียวกันพลิกมื่อปักเนีรู้แล้วก่อนจะพลิกมือจะรู้สึกการพลิกมือตั้งไว้อยู่แลึกได้แต่ว่ารู้สึกตัวยกขึ้นรู้แล้ว เอามานี่รูดแล้วยกมาอีกรูดแล้วรูดแล้วรูดแล้วรูรูอีกรูอีกรูรูเบาเบารูสดชื่นรูบริสุทธิ์จะเป็นรู